สนท่านเป็นประทําเพอเมื่อห ม, อมอกดกระเสียนท่านก็มาบวชคบกระเสียนเพราว่าได้หมดกระเสียนกล่าวไม่ด้มาบวชก็เลยมาสอนวิธีของยบแล้วกับพองยบนั่นก็ไม่ใช่วัดพองหนอยบหน่อยเพื่อท่านให้ภาวนาตายหายใจเข้าให้ว่าตายหายใจออกให้ว่าตายเราเนี่ยทำ ม, มันก็รู้อย่างนั้นบางคน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 บุญคือเข้าใจบุญคือไม่หลงบุญคือแจ้งบุญคือสวางจะว่าอย่างไงก็ได้เลยรู้จักวิธีทำบุญวันเกิดขึ้นมาทำบุญต่ออนุขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยโอ้ทาบุญวันเกิดไม่ก็หมายถึงบุญก็คือไม่ทุกนันเองไม่ทุกเลยหมดทุกในทาบุญมันเกิด ทำบุญตอ่ออยุก็โอ้สบายใจอายุเฮ้ยีวิตของเร า, ล, าล่าเริงบันเทิงใครจะพูดเรื่องอะไรก็สบายใจเนี่เข้าใจไปอย่างนี้แต่เมื่อเข้าใจแล้วมันไม่โหลงมาแม่นเลยมันเลยกราบตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ใครจะพูดยังไงก็ยกมือไหว้ตัวเอ ง, อ ง, อ ง, อตเองแต่มันเป็นการยกมือไหว้เพื่อนทั้งหมดเลยแต่กลัมจริงเห็นว่าตั ว, วยกมือไหว้ขึ้นมา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 พุ่มเงยมันยากคนอยู่ไกลๆมองไกลเห็นได้และเอียดเข้ามาคือทิกตาไปทิกตาไม่ละเอียดเข้าไปนีงว่าเห็นของยากแล้วก็เห็นของละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนมองไม่เห็นแบบนีหายใจไปคนก็ยังมองเห็นได้หายใจเข้ามันจะออกมันก็ยังมองเห็นได้ตัวเองก็เห็นตัวเองก็รู้ได้พุ่มคิดนี่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 ดังนั้นพวกเรามาเจริญที่นี่เป็นวิธีการคือให้ทำจังหวะเคลืนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ต้องทําอยู่อย่างนั้นที่แรกต้องเรียนวิธีหยาบๆทิศมือเคลื่อนควบมือลงยกมือไปเอามือมาอย่างนี้เลยเอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้สึกตัวนานๆมาก็ต้องทิศตาหายใจให้รู้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 เอาเหอะเอาขยะที่พวงหน้านี่ออกไปให้หมดได้จริงจริไม่เป็นไงพอได้รู้เรื่องกิเลสตัณหาอุปทานนี่แล้วก็เลยเห็นรู้เข้าใจเรื่องสิ่งขึ้นมาจริงๆไม่ใช่สิ่งห้าสิ่งสิ่งตสิ่งสอไม่ใช่สิ่งอันนี้สิ่งคือเนื่อว่าตัวเองทีเดียวเรียกว่าสิ่ขัน